พระธรรมเทศนาแผ่นที่53าลำดับที่8โดยหลวงพ่อยินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13กรกฎาคม2556มีชื่อเรื่องว่าหวานข้าวให้ถูกที่ อ้าวเงียบนะลูกหลานนะทีนี้นะใครอยากจะคุยกันลงไปคุยข้างล่างอยู่ที่ศาลาเนี่ยต้องเงียบต้องฟังหลวงพ่อพูดทีนี้พอพวกเราไปคุยกันที่อื่นคุยกันที่ไหนก็ได้แต่มาที่ศาลาเนี่ยต้องมาฟังมาฟังที่หลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังแต่พวกเราอยากจะคุยกันนู่นเราไปคุยข้างล่างตรงนี้เป็นตรงฟังฮะ วันนี้เป็นวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2556วันที่23เป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์ทุกวัดที่จะจำพรรษานี่แหละถึงอย่างไเกข็ขอให้พวกเราคณะสัทยาจายโยมทุกหมู่เหล่าในพรรษาที่จะถึงนี้พวกเราควรจะมีสัจจะ ความจริงจังและจริงใจภายในใจข้าพเจ้าจะทําอะไรในพรรษาที่จะถึงนี้สมเดือนนี้ถ้าหากว่ า, เ, าเราจะทําทั้งปี เ, เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาเท อ, อ, อาสมเดือนเป็นตายไร้ดีอย่างไรกับสมเดือนข้าพเจ้าจะงดบุรีโดยเด็ดขาดเพราะข้าพเจ้างดยากเหลือเกินเอาทีตายเป็นตาย ข้าไปเจ้าจะงดจูราเพราะว่าชูราเนี่ยข้าไปเจ้าเห็นใครมันก็ชวนเขากินไปตามเขาแต่ทำให้ตัวเองก็ไม่สบายใจบางครั้งก็สามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องผู้อยู่ใกล้เห็นเราก็ไม่สบายใจเอาเถอะในสามเดือนเนี่ยข้าไปเจ้าจะงดโดยเด็ดขาดข้าไปเจ้าจะงดเล่นการพนันตั้งแต่หวยเบอร์นั่นะ มันจะรวยมันก็รวยมาพอแรงแล้วละ่ะการพนงการพนันทุกอย่างข้าพเจ้าจะงดที่สสามเดือนเนี่ยและข้าพเจ้าจะไหวพระทุกวันในสามเดือนไม่ให้ขาดตื่นเช้ามากับอลหังสวารคตโตสุปฏิปโนโนโมตัสสะพุทธังธรรมมังข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทแต่ยังไม่เคยทำจริงจังเลย เอาเถอะสเดือนข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันตื่นนอนมาตอนเช้าทุกวันก่อนนอนทุกวันอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเจากท่านข้าพเจ้าจะไปวัดทุกวันพระวันพระทุกวันจะรักษาศีลห้าทุกวันพระหรือรักษาศีลนุโบสถทุกวันพระหรือจะใส่บาตรทุกวัน เพราะข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะบำรุงบุพุทธศาสนาส่วนหนึ่งควรจะใส่บาตรพระผ่านหน้าบ้านเราก็ใส่บาตรทุกวัน อ, อ, อันนี้ก็เป็นคุณงามความดีส่วนหนึ่งเพราะการทาทานในหลักของพุทธศาสนาอันีิสงแห่งการทาทาน เ, เป็นผู้ไห้อดอยากแต่บางคนก็บอกโอ้ไม่รู้ว่าพระยังไง เหตุไมเดี๋ยวนี้กําลังดังอยู่ทั้งมิลวเนนคำํำมิโลว่าพระญี่ปุ่นดังไประเบิดทัดเถงในประเทศไทยจะให้เขานับถือเลื่อมใสได้ยังไงสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องรู้จักแยกแยะเหมือนกันนะคนดีคนชั่วพระดีพระชั่วขาาตดีขาราชการดีขาราชการชั่วนักหนังสือพิมพ์ดีนักหนังสือพิมพ์ชั่วนักข่าวดีนักขา่กขาวชั่ว ดาราดีดาราชั่วพระดีพระชั่วมันมีหมดทุกวงการนั่นแหละเราจะไปปักปั๊มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันไม่ถูกถ้าหาว่าเราปักปั๊มไปจะแปลว่าเราเห็นแก่ตัวไม่มองดูตัวเองหลวงพ่อเองไม่ได้มองคนอื่นนะถึงจะพูดไปหลวงพ่อยอมรับอยู่ว่าพระที่ ปฏิบัติตนไม่ดีมีในพุทธศาสนาไม่ใช่แต่มีแต่ในครั้งนี้ในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีในครั้งพระพุทธ เ, เจ้าต้นาศาสนาต้นาศาสนาที่วางเอาไว้ขณะพระพุทธเจ้าเป็นาศาสตราแท้ยังมีคนอยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนอถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีในพระไตรปิฎกคือพระเทวทัตและก็มีมากกว่านั้นอีกถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎก เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะไปมองแบบแคบๆเราต้องมองกว้างๆไม่ว่ายุคใดสมัยใดคนดีคนชั่วพระดีพระชั่วข้าราชการดีข้าราชการชั่วตำรวจทาหารพิพากษาอายการพ่อค้าประชาชนพวกมูเหล่ามีดีมีชั่วด้วยการทางหมดใช่ไหม ที่หลวงพ่อถามว่าถามพวกเราถามหัวใจตัวเองนะไม่ต้องถามใครถามใจเขาเองใช่ไหมถ้าเราไม่โง่จนเกินไปเราก็ต้องตอบได้ว่าใชา่ทุกวงการมีดีมีชั่วด้วยกันเพราะฉนั้นเราต้องรู้จักเลือกเลือกครบพระพุทธเจ้าท่านว่ากัญยาณมิตรกัญยาณมิตรคือมิตรที่ดีปลาประมิตรแปลว่ามิตรที่ชั่วเราต้องเลือกครบเราจะเลือกครบปาประมิตร หรือกัญญาณมิตรถ้าเราเลือกคบกัญญาณามิตรเราก็ต้องเลือกว่าคนคนนี้เป็นคนดีอย่างไรพระองค์นี้เป็นดีอย่างไรที่เราเลือกแล้วจนสุดความสามารถของเราท่านอยู่ในหลักพระธรรมวินัยไหมที่ท่านปฏิบัติมาเนี่เอาเปรียบเทียบดูสิเราได้ศึกษาในหลักพระธรรมวินยัยมันอยู่ในหลักพระธรรมวินัยไหมท่านปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไหมถ้าหาว่า เราดูแล้วอยู่ในหลักพระธรรมไปไหนไม่ออกนอกลูกนอกทางเราก็ยอมรับได้สุดความสามารถหรือสุดวิสัยของเราที่เราได้คัดเลือกแล้วว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอแต่ทางว่ามันยังทะเลทรายยังออกนอกลูกนอกทางสุดวิสัยของเราเอันนั้นก็ถือว่ากรรมของเราะตาของเราไม่ถึง ทั้งที่เราก็คิดว่าท่านเป็นคนดีพระดีแต่บัดนี้ท่านเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ก็คือเราต้องเลือกปาปมิตรกัลยาณมิตรอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็หลวงพ่อฝากไว้ไม่ใช่ให้พวกเราเลือกหลวงพ่ออินไม่ใช่อย่างนั้นนะให้พวกเรามีหูมีตามีใจใเลือกครบ เลือกทบุญการเลือกให้พระสุคตทรงสรารเสริญการเลือกให้พระสุคตทรงสรารเสริญไม่ใช่ว่าเรามีข้าวปลูกมีข้าวปลูกในมือแล้วเห็นป่าก็หวานเข้าไปใน ป, าานปา่าหวานเข้าปา่ายญ้าคาป่าหญ้าป่าพงที่ไหนก็หวานไปเรื่อยเอเอ้ยหวานที่ไหนก็อย่างเก่าแล้ว่ะ มันออกงอกเงยอย่างเก่านะข้าวถ้ามันตกในดินมันจะไปไหนวะทดลองดูสิว่าเราหว่านอย่างั้นกับคนที่ทําแปลงนาให้ดีๆ ด, ดูน้ำให้ดีๆน้ำน้าพอเหมาะแล้วก็หว่านพืชลงไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปอันไหนดีกว่ากันถ้าเราไม่โง่ามากเราก็คงจะแยกออกว่างเออเนื้อนาที่ดีก็คงจะได้ผลดี ท่านเลาวานเข้าป่ารงพงไพรยากแฝกยากคาคงจะไม่ได้ผลมเมล็ดพืชของเราสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบในการสั่งสมคุณงามความดีในการสั่งสมบุญกุศลจะเชื่อสิ่งไหนก็ต้องคิดให้ดีการกรองให้ดีก่อนที่จะเชื่อไม่ใช่ว่า ต้นป่วยออกกลางลำก่อนนู่นเอาดอกไม้ทูบเทียนแห่กันไปหมาออกสีขาวหกขากันแห่กันไปไปกราบไปไหว้มันหมาพิการมันเกิดมามันใช้กรรมของมันมันพิการจนพอแรงแล้วเรายังไปให้ความสําคัญอยูอ่นี่แหละบางทีเราได้ยินพุทธศาสนิกชนหรือว่าชาวพุทธของเราเขาดการใช้ปัญญาขาดความรอบคอบ สิงเหานี้อยากจะฝากไว้กับคณะชาติธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่ า, าทั่วโลกทั่วประเทศหรือว่าได้ยินคํำที่หลวงพ่อพูดออกไปนี่ก็ให้พวกเรานําไปคิดนําไปพิจารณากันกลองไตรตรองเหตุและผลว่ามันเป็นอย่างจริงไหมที่เป็นลักษณะอย่างนี้นี่นแหละอันนี้เราก็การทําบุญของเราก็อย่างที่ว่าเาพราะพุทธศาสนา าหากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพุทธบริษัท4ี่เพราะพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรอันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าการทําบุญการทําบุญสกักบาทพระสงฆ์ที่ผ่านหน้าบ้านของเราในพรรษานี้ถ้าว่าพวกเรามีกิจทรัภาระมากไม่สามารถที่จะใส่ตักบาทได้ทำบุญได้เอาเถ อ, อะอย่างพวกเรา อ, อยู่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ล, ลำปางที่ไหนครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในวัดนั้นที่รักเคารพนับถือเอาเถอะข้าพรเจ้าจะถึงจะไม่ได้ทำบุญข้าพรเจ้าจะาตักบาตรต่อพระสงฆ์หรือว่าวัดวัดนั้นวัดเจดีย์หลวงอย่างนี้เป็นต้นนะพอลงพ่มันรู้จักวัดมากนะ อ, อย่างที่วัดอุรานกัวัดโพธิสมพรหรือวัดหลวงตาอย่างนี้ ที่เราเคารพนับถือยาดนั้นเราเออเอาวันนี้เราจะใส่บาทวัดหลวงตามหาบัวเนี่กล้วยหอมหนึ่งใบาราคาเท่าไหร่นมหนึ่งกล่องราคาเท่าไหร่ขนมปังราคาเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวถ้วยชามละเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปเราจะใช้กี่องค์สีองค์ครบสงใช่ไหมหรือองค์เดียว อย่างนี้เป็นต้นนะจากนั้นเราก็ได้ทําบุญเมื่อเสร็จแล้วเราก็นําปัจจัยไปถวายไปถวายบำํำรงวัดของท่านนี่แหละเป็นการทําบุญเหมือนกันอันนี้คือการทําบุญที่หลวงพ่อบอกกล่าวเนี่ยนะเป็นการแนะหรือบอกกล่าวการทําบุญถ้าเมื่อเราไม่ได้ทําบุญเราก็หยุดเลยอันนั้นก็ไม่ไม่น่าจะถูกการสร้างบุญสร้างกุศลจุดนี้ในหลำำักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหน่อ ท่านบอกว่ามันเป็นหนทางถ้าว่าไม่มีการสร้างบุญเลยอันนี้สงทานไม่มีคนเกิดพบใดชาติใดนะนั่นหละตกทุกข์ใดา ย, ยากเพราะเหตุไรเพราะอันนี้สงทานไม่มี อ, อย่างที่นกตัวนี้มันร้องอยู่ที่ลงมันร้องอยู่ที่ไหนนะแจ๊กแจ๊กแจ๊กแ จ, กจก๊พระพุทธองค์สมัยหนึ่งนะท่านได้สร้างบา ร, รมีเป็นมัรคมานก เป็นมัคมานุษย์ท่านเป็นคนชาวบ้านนอกพอเห็นแล้วคนทั้งหลายชอบที่สะอาดทอบที่ลาบลื่นมัคมานุษย์ก็ไปกเกี่ยไปกวาดจะมีมหันศพหรือว่ามีอะไรมีงานที่ไหนมัคมานุษย์ก็ไปกวาดคนก็ไปล้มยืนแล้วก็ไปนั่งตรงที่มันสะอาด มัคมนุษย์คนนี่ชอบสะอาด嘛คนนี่ชอบเอ่ที่สะดวกสบายจากนั้นมามัคมนุษย์ก็เลยไปสร้างเอ่ไปปัดกวาดแล้วก็ทําเป็นม้านั่งหรือว่าทําเป็นอะไรให้คนได้พักผาอาศัยผลที่สุดก็คนก็ชอบผลที่สุดมัค่ามนุษย์ก็ทําถนนหนทางสร้างศาลาสร้างที่พักสร้างสาระน้ํา ให้คนได้ไปพึ่งพาอาศัยผลที่สุดสร้างศาลาใหญ่ในหมู่บ้านแล้วก็มีช้างตัวหนึ่งทั้งหมดมีอยู่สาคนที่เป็นบริวารและก็มีช้างตัวหนึ่งที่พระเจ้าแผ่นดินให้มามคามนมเลก็พยายามทำให้ดีที่สุดให้คนได้รับความสะดวกสบายสรุปแล้วก็คือช่วยสาธารณประโยชน์ แล้วก็สร้างศาลาขึ้นมาแต่ว่ามัคคะมานพเนี่มีเมียสามคนเอคนสมัยนั้นก็คงจะมีแต่งานมีเมียสามคนนนางสุนันทานางสุธรรมานางสุชาดาน่อ่าทีนี้ก็แต่มัคคะมานพ์นี่บอกว่าผู้หญิงไม่ต้องเข้ามาใกล้มันเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาแต่คนน่แหละมาทํางาน มขับมานบแต่นางสุธรรมมาเนี่ยเถ้าหากว่าไม่ได้มีสวนร่วมเลยก็คงจะไม่ได้บุญใช่คนเราเนี่ยมันต้องมีสวนร่วมนะที่จะสร้างสล า, านางก็เลยทำเป็นช่อฟ้าขึ้นมาขึ้นมาแล้วไปเสนอไปเสนอให้ในายช่างเขานายช่างเขาเห็นโอ้สวยงามเขาก็เลยใส่เข้าไปเรียกว่าาลา ชื่อศาลาสุธรรมมานางสุนันทาเนี่ยทำสวนทําสวนถวายแต่นางสุชาดานี่ยโอ้ยสามีของฉันทํำยังไงฉันก็ต้องได้รับอย่างนั้นละเพราะว่าฉันก็เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวพ่อบ้านทํำยังไงฉันก็ได้รับอย่างนั้นแต่นี้ก็มีแต่แต่ง ต, ตัวทั้งบีทั้งวัน ไม่ได้สนใจแต่นี้พ อ, อพอตายเมัคคะมานพเนี่ยตายแล้วไปสู่สวรรค์นะคนที่จิตใจกว้างขวางเนี่ยไปสู่สวรรค์แต่นางสุธรร ม, มาเนี่ยตายแล้วไปเป็นนางเทวดาอา่ไปเกิดกับนู่นหละชั้นสวรรค์เหมือนกันนางสุนันทา ตายแล้วก็พ้นไปสู่สวรรค์อเนกสง์แห่งการทําทานนางสุธรมารมีช่อฟ้าสวยงามนางสุนันทานมีสวนสวยงามแต่นางชูชาดาเนี่ยพอตายไปแล้วไม่มีอเนกสง์ไม่มีบุญเพราะไม่ได้ทำเอาไว้พอตายเสร็จแล้วไปเกิดเป็นนกกระยางอยู่ในหนองน้ำํำอยู่ในกลางป่านกกระยางขาว อพอตายเสร็จแล้วพระอินทร์ก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์นางมัคคะมานพดู้จิตใจกว้างขวางช่วยเหลือชุมชนสังคมเป็นผู้ช่วยเหลือชุมชนสังค ม, ว ม, งคมพวกนั้นจะไปสู่สวรรค์เป็นพระอินทร์แต่นี้นะพระอินทร์ก็ขึ้นไปเอจุธรรมาก็ ข, าาากขึ้นมาแล้วสุชาดาก็ขึ้นมาแล้วบริวารของมัคคะมานพขึ้นมาแล้วช้างที่ทํางานด้วยกเกิดเป็นช้างสามเสียนขึ้นมา พระ อ, อินก็เห็นแล้วเออครบแต่มองไปมองมานางขาดนางชุชาดาเนี่ยนางชุชาดาไปไหนมาพระ อ, อินก็มองทิพะจักรสุดูไปเห็นนกกระยางไปอยู่ในกลางโคกกลางแพ้นะน่ะอยู่ในกลางโรงน่ะที่เป็นหนองน้ําแห่งๆเน่ยนกกระยางก็หากินตะ ก, กะแตนหากินนั้นอยู่นั่นมองดูโอตายนางชุชาดาเนี่ย ไม่ได้ขึ้นมาเพราะไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ได้สร้างบุญและไปอยู่ไปเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเพราะอันในสงการสร้างคุณงามความดีไม่มีพระอินทร์ก็เลยลงไปก็ไปบอกกับนางนกกระยางส่งภาษานกกระยางนกระยางกอรับรู้รับทราบจะทํำยังไงได้ อ, อดิฉันไม่ได้ทําก็คิดว่าสามีทําแล้วก็จะได้บุญด้วยพระอินทร์เอาไป ขึ้นไปดูสวรรค์พระอินทร์ก็เลยเอานกกระยางตอนนั้นขึ้นไปบนสวรรค์พอขึ้นไปดูบนสวรรค์แล้วนางสุธรรมมานางสุนันทาเห็นเนี่ยคเอ่ยคล้ายๆว่าไม่มองเต็มตายังไงเหลือบตาใส่เพราะว่าสามีเอ่สมัยนั้นก็โกรธกันเกลียดกันพอแรงใช่มเอ่ยกันก็ลักษณะสมลำหน้าเอ่ยทำไมไม่สร้างคุณงามความดีมีแต่ตกแต่ง ดูแลร่างกายให้สวยงามแข็งหมูอยู่ตลอดนีน Salem, ่แหละอานสนสงแห่งการไม่สร้างบุญสร้างกุศลกระโคงจกลักษณะอย่างนั้นนางสุชาดาเป็นถึงจะเป็นนกก็จริงยุ่แต่ว่าใจมันใหญ่รู้รับรู้รับทราบหมดทุกอย่างนางสุชาดาเลยกิบอกกับพระเอินว่าโอที่ฉันไม่อยากจะอยู่นสวรรค์ขอลงไปอยู่ที่เก่าเถอะเป็นนกกระยางยังสบายใจกว่า ที่จะมาอยู่บนสวรรค์ที่เห็นทุกคู่ทุกคนมองไม่เต็มสายตาไม่เต็มตาเราก็มองดูเราก็เราก็อายอีกเพราะเราเป็นนกกระยางนพระ อ, อินทร์ก็เออเอาไปพระอินทร์ก็เลยเอาลงมาเอามาไว้ที่เก่ามาไว้ที่เก่าก็บอกเออนกนางนกกระยางเนอะจุชาดานะให้รักษาศีลห้านะให้รักษาศีลห้าให้แข่งกรัดสนะ แล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าอ น, นุสงสีธาตุของข้าพเจ้านะขอให้ไปเกิดบนสวรรค์ด้วยเถิดคิดอย่างนั้นนะให้ตั้งจิตตั้งใจอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะได้ไปสู่สวรรค์พระอินทร์สั่งจากนั้นก็เลยไปปล่อยไว้นกกระยางไว้กลางป่าที่เป็นหนองน้ําแห้งนกกระยางตอนนั้นก็พอได้รับคําสั่งจากพระอินทร์บอกแล้วก็รักษาสีลาตุ เห็นตั ก, กระตงตั ก, กะแตนก็ไม่กล้ากินไม่กินเพราะว่ากลัวจะขาดสินถ้ากินก็กินที่ตัวที่มันตายแล้วนะพวกกบพวกเขียดน้อยพวกตั ก, กะแตนจะมันก็ไม่ตายทุกวี่ทุกวันจากนั้นนางนกกระยางตัว น, นี้ก็เลยอยู่ไม่นานมันก็เลยตายพอตายก็อันนี้สงสินที่นกกระยางตอนนั้นรักษาสินแบบอุกฤษอุธิศิน ลักศินยิ่งกว่าชีวิตอเนกสงสินของนกกระยางเท่านั้นนะพอตายปั๊บวิญญาณก็เลยขึ้นไปอยู่สวรรค์อยู่สวรรค์พร้อมหน้าพร้อมตากันนี่แหละสรุปแล้วก็คือนิทานในเรื่องนี้พระพุทธองค์ปาลบอยู่ที่กรุงสวัรถีนะมาในพระไตรปิฎกนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ยไม่ใช่นิทานปลำปลานิทานมาในพระไตรปิฎกก็สรุปแล้วก็คือ เหมือนคนอื่นสร้างบุญเราจะได้ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ได้แต่เราต้องอนุโมทนาแบบเข้มงวดกวดขันไม่ใช่ว่าปล่อยปล่าแล้วเลยเห็นคนอื่นทำแล้วเออทำทับก็ทกําทไปเพ้อเพลยังขัดเครืองเขาอีกอันนี้สงฆ์จะไม่เต็มที่ไม่เต็มเปี่ยมอย่างเหมือนกับนางสุชาดานะนะนะถึงมรคมาลบจะทําสร้างบุญสร้างกุศลจนได้เป็นพระอินทรนะ์แต่ตัวเองไม่ได้สร้างก็กลับกลายเป็น นกกระยางไปอย่างนั้นไปได้เพราะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลใครทำใครได้ใครกินใครอิม่มใครออกกำลังกายคนนั้นก็ได้กำลังนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถึงยังไงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงใครจะชั่วยังไงข้าพระเจ้าจะไม่ชั่วถึงใครจะ เป็นยังไงข้าพเจ้าจะคิดดีทดําดีพูดดีเท่านั้นถึงจะเขาจะได้ยินเสียงระเบิดถดถึงทั่วโลกทั่วประเทศ เ, เรื่องพระเรื่องใครก็ตามข้าพเจ้าอก็เชื่อว่าคนมันมีหลายระดับคนทําชั่วก็มีคนทําดีก็มีเอาเถอะข้าพเจ้าจะไม่ทําชั่วข้าพเจ้าจะทําดีนี่แหละสรุปแล้วก็คือดีกับชั่ว มันอยู่กับตัวของเราทุกๆคนไม่ใช่เราทําเผื่อกันนะพ่อแม่ทำก็ใช่ทําบุญเอออนุโมทนาสาธุเนอะคุณพ่อคุณแม่นะปูย่ย่าตา ย, ยายลูกหลานเนอะอันนี้ได้ทําบุญแล้วเขาอนุโมทนาเขาก็ได้ได้บุญจากเราแต่จะให้เหมือนคนทำนะั้นไม่เหมือน เ, อเหมือนกับเราไปทํางานเขาให้รางวัลเร า, เ, าเราได้เงินเดือนเท่าไหร่วันละเท่าไหร่เรามาแล้วก็แบ่งให้ เราจะแบ่งให้เขาอย่างไงแต่ตามไม่จริงการแบงแ่งเราก็เอายินดีให้ทั้งหมดนั่นแะแต่เขาจะเอาทั้งหมดได้เหรอเพราะาเขาไม่ได้ทำเขาเขาก็ได้อัโมทนาก็ได้มีส่วนในการสังสมคุณงามความดีกับเราไปบ้างนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับพวกเราคณะสัทยาญาณโยมทุกหมู่เหล่าพวกเราได้มาคราวนี้ก็มาเพื่อจะบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาพระทั้งสองค์ ทางว่าพวกท่านเหล่านี้นะทั้ง13บสมง น, นท่านมาปฏิบัติท่านภาวนาจิตใจของท่านได้รับความสงบพวกเราก็ได้อเ น, นสง์มากในระดับหนึ่งแต่ท่านได้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระหรันถ้าว่าท่านเหล่านี้ได้เป็นพระหันนะเออพวกเรานี่ยยิ่งกว่าถูกหวยแจ็คพอตเหมือนกันเถอะเออทวีคูณเท่าไหร่เพราะอเ น, นสงแห่งการ ได้มาบวชพระในไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นอันกสง์มากนะคณะสัตายาญาติโยมพวกเราได้ฝากฝังลูกหลานไว้ในพุทธศาสนาเป็นทายาทของพวกเราเอาต่อ น, นี้ไปรับพรในที่นี้นะ